แก้แก้หนังสือนิดหนึ่งนะในหน้ายี่สิบเอ็ดหน้ายีา่สิบหนึ่งอนับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบรรทัดที่สิบเห็นไหมละธรรมมติธิด้วยอนุโลมยานเนียคือ เจงัติที่ถูกนายต้องบอกว่าละปฏิโลมในธรรมทิฏฐิละปฏิโลมในพระนิพพานด้วยอนุโลมมายานเทือที่ถูกเต็มเนี่ยนะที่ถูกเต็มบอกว่าละปฏิโลมในธรรมทิฏฐิในธรรมทิฏฐินะทิเติละภาวะปฏิโลมในพระนิพพานด้วยอนุโลมมยานหน้ายีสบหนึ่ง หน้าเสาเอ็อะหน้ า, สาเสไม่เขียนเขียนเฉยๆเขียนที่ไหนก่อนก็ได้บอกว่าละละปฏิโลมในธรรมทิติและละปฏิโลมในพระนิพพานละปฏิโลมในธรรมทิติและละปฏิโลมในพระนิพพานด้วยด้วยอนุโลมมายานเขียนเขียนตรงไหนก็ได้แล้วก็ให้รู้ว่า คือบรรทัดที่ที่สบที่สบอใช่หมนึ่งคือบรรทัดที่สิบกับที่ส1บเอ็นี่ยนะมันมันเขียนผิดหน่อย<ม>คือละล ะ, ะ, ะละปฏิโลมในธรรมะทิฏฐิละปฏิโลมในพระนิพพานด้วยอนุโลมยานละสังขานิมิต ด, ด้วยโคตรภูยานแต่ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เพราะตรงนั้นมันอ่านแล้วมไม่รู้เรื่อง อันนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณรัตนาเนี่ยมันลอกใส่กระดาษสักอันหนึ่งแล้วก็แจกแจกกันไปง่ายดีกระดาษอะไรสักใบหนึ่งนะนกระดาษอะไรสักแข่งแล้วก็เขียนเขียนให้ลอกๆไปเถอะเสียเวลาไม่ใช่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายแล้วหรือไม่ก็ไปดูหน้านั้นเทียบก็ได้นะเล่มสิบเจ็ดหน้าหกสิบเทียบ แต่ก็ตรงนั้นก็แปลตกไปนิดเดียวเหมือนกันนิดหน่อยตกไปภาวะปฏิลมในพระนิพพานก็ตกเหมือนกัน